ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้เราจะเอาพระสูตรที่อันมีเรื่องใคล้ครึงกันสามสามสูตรที่เราใช้ในพิธีมงคลพระสูตรแรกคือโมโมระปริตหรือโมระสูตรมีข้อความในตอนต้นว่า สมัยหนึ่งเมื่อพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นกำเนิดนกยูงก็เป็นนกยุงทองเป็นนกยุงที่มีความสวยงามมากใครๆก็ต้องการจะจับเอาไว้แต่ก็ไม่สามารถที่จะจับได้เพราะว่าตื่นนอนขึ้นก่อนจะบินไปหากินนั้นนกยุงทองจะนอบน้อมนมัสการพระอาทิตย์หลังจากนมัสการพระอาทิตย์แล้ว ก็นมัสการพราหมณ์ทั้งหลายนามัสการพระพุทธเจ้าทั้งหลายนามัสการพระโพชฌานนามัสการท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายแล้วขออนุภาพอขอให้เกิดเมตตาจิตระหว่างท่านกระสาประสาททั้งหลายแล้วขออนุภาพ ของพระอาทิตย์เป็นต้นดังที่กล่าวมาแล้วได้คุ้มครองป้องกันท่านเอาไว้ตอนพระอาทิตย์ดับที่ตขึ้นต้นโดยอเปตยันจักกุมาเอกราชาลิสวันโนปทวิปภาสูก็นมัสการในลักษณะเช่นเดียวกันเพราะงั้นจึงมี ม, มีการนมัสการพระอาทิตย์ทั้งตอนเช้าและตอนพระอาทิตย์ตกคือตอนพระอาทิตย์ขึ้นและตอนพระอาทิตย์ตก แต่ว่าสิ่งที่ท่านแสดงนอบน้อม น, นั้นถึงแม้จะเริ่มด้วยพระอาทิตย์แต่ก็ต่อด้วยพราหมณ์ต่อด้วยพระพุทธเจ้าต่อด้วยพระโพธิญาณต่อด้วยพระธรรมและต่อด้วยท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็แผ่เมตตาจิตไปในสัตว์ทั้งหลายก็ไม่มีใครสามารถที่จะจับได้เพราะอนุภาพของสิ่งเหล่านั้นคุ้มครองรักษาไว้ ต่อมามเหสีของพระเจ้ากรุงพาราณสีต้องการคือท่านสุบินนะฮะคือฝันต้องการที่จะได้นกยูงนั้นมาก็าส่งคนไปจับจับยังไงก็จับไม่ได้ในที่สุดก็มีพราหมปโรหิตแนะนำว่านกยูงจะต้องมีอะไรพิเศษวิธีที่จะล้างอาถรรพ์นี้ได้ก็คือ ต้องเอานกยุงตัวเมียให้ไปร้องอยู่ใกล้ๆก่อนที่นกยองนกยุงทองจะตื่นเพราะนพได้ยินพอนกยุงตัวเมียไปร้องนกยุงทองตื่นขึ้นมาถึงแทนที่จะนึกถึงมนุนมันมนึกมันนึกถึงเสียงใน้สุดก็ลืมมนม่นที่สาธยาอยู่ทุกเชา้าทุกเชา้าแล้วพวกนี้ก็เอานกยุง ตัวเมียไปร้องอยู่เรื่อยๆจนจนมนคือไม่ได้ไม่ได้ท่องอ่ะอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าอัสชามาลามันตามนมีการไม่ท่องบุนเป็นมนชินเมื่อไม่ท่องไม่สาธยายไปบ่อยอนุภาพของมนก็เสือ่อมในที่สุดพระโพธิสัตว์ก็ถูกจับได้จับได้ไปแล้วเมื่อทางพระเจ้ากรุงพารณาณสีทราบเหตุผลต่างๆ แล้วท่านก็ปล่อยให้การราาักษาห้ามไม่ให้เบียดเปี่ยนพระโหธิสัตว์อีกต่อไปอีกประสูตรหนึ่งเราเรียกว่าบาลีเรียกว่าอาหิราชจสูตรต่อมาเรามาสวดเราเรียกว่าขันทบปริศแล้วก็เวลสวดเราก็สวดสีบ่บรรทัดข้างล่างไม่ได้สวรเต็มที่เนั้นประสูตรนี้จึงถูกตัดมาสามครั้งนะฮะ ตัดตอนมาเป็นขันธ ป, ปริศแล้วก็ตัดตอนสวดตัดตอนเป็นอหิราชะอหิราชาสูตรอิหิราชาสูตรแปลว่าสูตรที่ว่าด้วยพระาชาของงูนะฮะอหิก็คืองูมีข้อความในตอนต้นว่าคราวหนึ่งภิกษุในกรุงสาวัตถีในประเทศตะวันนั่นเองกำลังฤดูหนาวท่านพิงไฟ แล้วก่ไฟก็ควันเกิดไปรมเอางูมันออกมาจากรูก็วิ่งพาไอ้พาควันออกมาแล้วก็กัดเอาพระตายพระภิกษุก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าให้ทรงทราบว่ามีภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัดตายพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าการที่พวกเธอถูกงูกัดตายนั้นเพราะไม่ได้กระทําเมตตาจิตในสกุลของพญา ง, งูทั้งสี่ แล้วก็รับสั่งให้เรียนเพราะในตอนตอนตอนที่เป็นปริตจริงๆมันจึงเริ่มที่ขันธปริษติ์อข้างบนก็เป็นเรื่องเล่านั้นเองคือต้นปฐมเหตุที่ท่านคงจะเคยได้ยินวิรูปะแค่ฮิเมะเมตังเมตังเอราประเทศฮิเมจัปยาบุเตฮิเมะเมตังเ ม, ต, งมตังกันห้าคตมเกยะเนี่ยก็ให ทำความเป็นมิตรในสกุลพระยางูทั้ง4ี่อันนี้เราไม่ได้ศึกษารายละเอียดนะครับว่าในสกูลพรยางูทั้งสี่นี้มันมันเป็นเผ่าไหนกันบ้างแต่พอจับจากข้อความได้มันก็การหาโคตมกะนี่คงจะงูเห่านะเพอดำอะแปลว่าดำก็ขอไมตรีจิตข้อความในพระสูตรนะฮะขอไม่ไมตรีจิตของเราจงมีแต่พระยานาคพระยางูนี่ฮะสกุลวิรุปต วิรูประแค่ฮิเมะเมตังเมตังเอราประเทศฮิเมก็ここขอไมตรีจิตของเราจงมีในตระกูลพระยางูชื่อว่าเอราปัดแล้วขอเมตตาจิตของเราจงมีในตระกูลพระยางูชื่อว่าชัพยาปุตตะขอไมตรีจิตของเราจงมีแก่ตระกูลพระยางูชื่อว่ากันหาโคตมกะแล้วขอไมตรีจิตของเราจงมีแก่สรสรพสัตว์ทั้งหลาย ขอสัตว์อะไรสองเท้าสี่เท้าไม่มีเท้ามากมากเท้าไม่มีเท้าจงมีมิตรีจิตต่อเราแล้วขอให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยจงมีความสุขไม่มีการเปลี่ยนเปลี่ยนกันตอนนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันก็เริ่มด้วยแผ่เมตตาเริ่มด้วยแผ่เมตตาคือสร้างมิตรีจิตต่อสัตว์ทั้งหลาย ทางมากเท้าทางทา ง, ทา ง, ท, างทางไม่มีเทา้าทางออสองเทา้าทางสี่เทา้าคือสัตว์ทุกชนิดอะตะขาบมาแมลงป่องอะไรต่ออะไรหมดเลยพวกหนูพวกรูพวกงูพวกอะไรเนี่ยเมื่อเสร็จแล้วก็ขึ้นใหม่ที่เอานำมาสวดอปมาโนบุตโธอัปมาโนธมโมอัปมาโนสังโกรปมาณวันตานิสิงสปาณิอวิจิกาสัตตปดีอุณนาภีสระบูมูสิกา ตาเมราคา่ากตาเมปริตตาปฏิกรรมันตูภูตานิโซฮังนมโมภควาตวนโมสัตานังสมาสมาสุทธานังจบแล้วก็ส่วนสีบ่บรรทัดครับข้างล่างนี้ก็คือว่าคุณของพ ร, ร, ร, ระพุทธเจ้าไม่มีประมาณอัปปมานโนบุโธคุณของพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณอัปปมานโนธรรมโมคุณของพระธรรมไม่มีประมาณอัปปมาโนสังโฆคุณของพระสงฆ์ไม่มีประมาณ ปนามปามานวันตาณิสิงสปาณิคือไอไไอไออนุภาพของไอสัตว์ทั้งหลายเราเนี่ยมีงูเป็นต้นเนี่ยสู้พระรัตนตรัยไม่ได้ตอนนั้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรยัยปามานวันตาณิสิงสปาณิอวิจกิกาตตาปฎีอุนาภีสรภูมิสกากตเมระฆ า, ากตเมปริตาขอปริดด้การนอบน้อม ที่ข้าพเจ้าได้สวดและนอบน้อมแล้วจงรักษาข้าพเจ้าแล้วก็ขอข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าและขอให้สัตว์ทั้งหลายนั้นได้นอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าและขอให้มีเมต谛จิตต่อกันแล้วก็แผ่เมตตาอีกนะฮะเป็นการสร้างเมตตาขึ้นในตนเองกษับสัตว์ตนเองกษัตริย์ทั้งหลาย โดยให้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนไม่ประทุษร้ายกันถือว่าแม้สัตว์เหล่านั้นจะมีอนุภาพมีฤทธิ์มีอำนาจยังไงก็ตามแต่เมื่อเทียบเคียงกันแล้วก็สู้ฤทธิ์อนุภาพอำนาจของพระตนนตรายไม่ได้ระถานี้จึงออกจากจะถือการเคร่งครัดพอสมควรโดยเฉพาะในกรณีอยู่ป่าเช่นเดียวกันเรื่องพระสูตรที่เคยล่ามานานแล้วนะฮะคือกรณีเมตสูตรมีแนวเดียวกันว่า เวลาเราไปอยู่ในป่านั้นจะต้องแผ่เมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายด้วยสูตรข้อนี้เราจะต้องสร้างเมตตาจิตต่อสัตว์ทั้งหลายด้วยกรณียเมตตาสูตรคือทั้งเทวดาอะไรเนี่ยพวกผีสังพวกรุ ก, กเทวดาเนี่ยเนี่ยด้วยกรณียเมตตาสูตรนี่ก็เป็นเป็นพระสูตรที่กล่าวถึงอานุภาพในลักษณะดลบรรดาลแล้วก็ประสิทธิประสาทให้การอารักขาแต่ในขณะเดียวกันมันก็ลึกขึ้นไปเข้าไปถึงใจคน ใจผู้สาทยาใจผู้สู่ผู้สวดประสูตรต้นนี้ต่อไปเขาเรียกว่าวัตกะปริตนะฮะมาจากวัตกะชาดกตัว น, นี้มาจากชาดกก็มาคนละแห่งกันประประสูตรทั้งทั้งสสูตรเนี่ยสูตรแรกก็มาในขุตกะนิกายนะ ท, ที่จริงว่าอยู่คุตตากนิกายทั้งหมดแต่มันอยู่ในคุตกะปาฐะ ขันทประดิษฐ์นี่อยู่ในคุตก ป, ปาทะแล้ววัตกะประดิษฐ์นั้นอยู่มาจากวัตกะชาดกอยู่ในชาตกะสุริยะประดิษฐ์นั้นมาจากโมราชาดกโมริยะชาดกางนั้น ก, ก, ก็ก็มาจากที่หลายแห่งกันปัจใจวีดกเลื่ม2ยี่าบ27เออข้อความว่าราวหนึ่งพระโพธิสัตว์นี่พระพุทธเจ้า ร, รับสั่งเล่านะฮะ ล้วสั่งเล่าถึงอนุภาพของธรรมะที่คุ้มครองให้เราสังเกตนะครับว่าข้อแรกนั้นขออนุภาพจากข้างนอกการนอบน้อมการมีเมต谛จิตข้อที่สองนั้นตัวเองแผ่เมตตาสร้างความเป็นมิตรแล้วก็ขอความเป็นมิตรอย่าได้เบียดเบียข้อที่สามมันเอาฐานตัวเองเป็นหลักฐานตัวเองเป็นหลักคือเอาความดีงามของตัวเองเป็นหลักแล้วก็คุ้มครองตัวเอง ในลักษณะพระธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรมพระเจ้ารับสั่งเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าคราวหนึ่งพระองค์เกิดเป็นนกเป็นนกคุ้มนะฮะนกคุ้มไฟไม่ทราบตัวยังไงนะไม่เกี่ยวก็ไปในขณะที่ยังเป็นลูกนกเล็กๆอยู่เนี่ยพอดีเกิดไฟป่ามันไหม้ไฟป่าไหม้ตั้นนกไม่รู้จะไปยังไงอะ่ะแต่เป็นนกพระโพธิสัตว์ก็น้อมอธิษฐานใจนะครับ อธิโลเกศีลกุโนสัจจังโซเจ ย, ยนุตราเตนะสจเจนะกาหามิสัจจการิยมนุตรังตรมสีข้อนะข้างล่างข้างบนนี่ยแต่ท่านบอกว่าคุณของศีลมีอยู่ในโลกนี้คุณของสัจจาก็มีอยู่ในโลกนี้คุณของความสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจ ก็มีอยู่ในโลกนี้แล้วคุณของเอสัจกิริยาคือการตั้งสัตยาทิฏฐานเพื่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็มีอยู่แล้วก็มีอนุภาพสูงสุดเพราะเวลานี้แม่ของข้าพเจ้าก็มีแต่ไม่อยู่ที่รังปีกของข้าพเจ้าก็มีแต่ไม่มีขนคือบินไม่ได้ พระเจ้าไม่สามารถที่จะรอดพ้นจากกองไฟที่กำลังลุกลามมาได้เพราะนั้นก็ขออนุภาพแง่งธรรมะทั้งสี่ประการกล่าวแล้วในตอนต้นเน้วกำนาจบา ร, รมีธรรมที่เราได้อบรมสั่งสมมาในอดีตการขอให้ไฟจงหลีกไปแยกไปอย่าเข้ามาใกล้รังของเราแล้วไฟป่าพอมาถึงบริเวณนั้นก็ส6บกก ร, ริตณ์ไหมใช่ไหมเนื้อที่เทนะ่าไรน กรกิกว้างขมดท้องควรรังไม่ร้อนนะฮะห่างไปส6บหกริตก็หยุดควายก็แยกตัวไปในด้านอื่นตรงนั้นก็กลายเป็นหย่อมอยู่ในป่าคืออนุภาพของวัตรกรรมกริ่เอางั้นท่านที่เคยเกี่ยวข้องในพิธีมงคลนะฮะท่านจะ <c oughs> ได้ยินว่าในกรณีที่ขึ้นบ้านใหม่นะมีกรณีเดียวเราจะสวดครั้งเดียวแต่นั้นเองออกจากขังมดงควรคือไม่สวดทั่วไปก็จะสวดในกรณีที่ขึ้นบ้านใหม่ แต่ขึ้นบ้านใหม่พระจะสวดพระสูตรนี้เป็นการป้องกันไฟไว้เราถือว่าปรลิตมีอนุภาพมากไม่ต้องสวดบ่อยๆสวดบ่อยๆไปเดียวเสื่อมไม่ขลังก็ขออนุภาพพระปรลิตให้ป้องกันไฟ <c oughs> ป้องกันอันตรายให้เกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นในบริเวณนั้นข้อนี้พระสูตรทั้ง3สูตรนั้น ปัจจุบันนี้เราไม่ได้สวดบ่อยๆนะฮะมีสวดจริงๆเจเฉพาะอัปปมามโนบุโท ค, คือขันธประริตธโมริยะปริษธ้นั้นนานๆจะสวดสักครั้งหนึ่งสวดมากแล้วก็เป็นเรื่องการอะไรนพรเคราะห์มันก็ไปเกี่ยวข้องไอ้พวกคลังๆนะฮะคือพวกอนุภาพพวก ๆ, ๆระดับเล่นตุ๊กตากันนีดหน่ยอยก็จะสวดในกรณีบูชาราธิตนะฮะ ท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ยินดีคาถาโนปะเคราะที่อะไรนะอธิหกยกชี้มีคาถาสวดอุเทนยันจักกุมาจันสิพาจันทนมงคลดีอะไรต่ออะไรต่อการสวดเนี่เยเขาบอกไปเสร็จว่าอธิยหกสวดอะไรจันสิพาสวดอะไรพูดสิบเจ็ดสวดอะไรนะฮะแล้วก็เขบอกไว้บอกไปเสร็จเพราะงั้นพวกนี้จะสวดบูชาพระเคราะห์มันก็ลงไปถึงข้างล่างสังคมลงมาอยู่ข้างล่างเลย เกิดมาสวดในในแนวของนบ ป, ประเคราะห์เพราะฉั้นในนบนบ ป, ประเคราะห์จริงๆที่เราเอามาสวดนั้นก็คือคาถาคาถาในพระสูตระเพราะไทยเราถึงนบ ป, ประเคราะห์เป็นพรามนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เอามาสวดเป็นพุทธสิ่งที่เอามาสวดนั้นเป็นพุทธเราไม่อ้างอนุภาพข้างนอกเราอ้างอนุภาพธรรมะหรือพูดธเพืงแง่ว่าอ้างอนุภาพพระรัตนใจแต่ที่นี้เรามองกันในแง่ของการวิจารณ์นะฮะว่าในแง่ของของของผลการปฏิบัติ นกยุงทองพระโพธิสัตว์นั้นประเด็นสำคัญเลงว่าคนเรานี่คือตื่นนอนขึ้นมาถึงใจมันสงบปะใจมันสงบหรือเปล่าวิธีที่จะดึงใจให้สงบมันต้องมีอะไรสักตัวหนึ่งที่ช่วยมันดึงให้นกยุงทองก็ดึงเอาปริบนี้แสดงความนอบน้อมคือใจนั้นจะจดจ่ออยู่ที่พระอาทิตย์ก็เพ่งแสงพระอาทิตย์แต่ก็นอบน้อมพระอาทิตย์ คงจะนานนา น, นานมากนะฮะการบูชาพระอาทิตย์เนี่ยแต่ถ้าไปดูอินเดียไม่นานนะฮะเพราะทุกวันยังเพ่งมองดวงอาทิตย์เกินอยู่เยอะเลยจนตาบอดไปแย่แลเอ่อสมัยนี้เป็นสมัยว่างศาสน า, ศาไม่ได้มีศาสน า, ศาแต่ว่านกเป็นนกเอ่อนกยุงเป็นนกพระโพธิสัตว์มันก็รู้อะไรเวลานอบน้อมท่านนอบน้อมพระอาทิตย์ตามความเชื่อถือจริงแต่ไปนอบน้อมพราม นอบน้อมพระพุทธเจ้านอบน้อมพระโพธิญาณที่พระองค์ปรารถนาตอนนั้นยังไม่มีนะยังไม่ได้ตัดสรู้เพเป็นนกอยู่ก็นอบน้อมพระโพธิญาณ น, นอบน้อมพระธรรมนอบน้อมท่านผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายแล้วก็จบด้วยการแผ่เมตตาเพรา ะ, ะนั้นจิตมันวิ่งอยู่ที่ธรรมะตลอดเลยจิตมันก็เกิดสึง ไอ้ความสงบนี้ก็ก่อให้เกิดปัญญานะฮะสมาธิก็ก่อให้เกิดปัญญาเพราะงั้นจะมีความระมัดระวังมีการสมรวมเจะไปไหนจะหาอาหารในทิศไหนอะไรแต่อไรนี่ฮะไอ้บ่วงที่เขามาดักไม่ใช่ไม่ดักแล้วก็ดักมานานแล้วไอ้บ่วงอ่ะแต่ว่าอาศัยที่ท่านมีฝานสงบมีสติอยู่มีปัญญาอยู่ก็ไม่เหยียบเสียงกหมดเรื่องะบ่วงก็ทําอะไรไม่ได้กันเท่านั้นเองบ่วงก็คือบ่วง นะเราก็คือเราบันที่จริงเมื่ออยู่คนละแห่งกันแต่ก็เราทีหา่หาเรื่องให้ติดบ่วงเพราะเราเท้าไปเหยียบเข้าเองแล้วในสุดก็ติดบ่วงแล้วก็มาโวยวายว่าใครเอาบ่วงมาวางไว้แทนที่จะําหนิตัวเองะฮะเหมือนกับผู้ใหญ่เดินสะดุดของแตกกันแหละก็ไปด่าเด็กต่อจะเ่ า, า ข, อของมาวางไว้อันนี้เราก็เห็นธรรมะได้อย่างชัดเจนฮะว่าจิตใจที่มีความสงบเนี่ยให้สงบอยู่กับอะไรทักอย่าง ที่จำนวนสมัยใหม่ก็เรียกว่าเตรียมตัวต้อนรับอรุณใหม่เรื่องเมื่อวานมันก็เรื่องเมื่อวานนะผิดถูกก็เรื่องเมื่อวานมันก็ผ่านไปแล้วเราจะแก้ไขอะไรเราแก้ไขไม่ได้แล้วมันก็นับหนึ่งกันใหม่ในวันนี้นับหนึ่งกันได้เรื่อยจนกว่าจะยืนหยัดด้วยตัวเองได้ทีนี้จากการสาธยายเวทมนต์นี่เรื่องเวทมนต์ที่จริงมันมีส่วนของสมาธิ อย่างที่เอามาเ ค, เคยเล่าให้ฟังว่าสมัยเป็นคารวาสนะฮะไอคาถาเป่าตาแดงเนี่ยมันไม่รู้มันคลังตรงไหนนะแต่มาเป่าตาเด็กหายเยอะเลยเป่าก็ เ, าเคี้ยวหมากพ่นหน้าแข้งนะะจะบอกให้ก็ได้ก็เอาไปพ่นดูก็ว <c oughs> ่าที่จริงคาถามันก็ดูไม่เคยออกอะโอมตาดํากูจะพน่นตาแดงพ่นทีหน้าแข้งให้มันแดงที่หัวเขา่าเพียงสวาหาสิทธิสวาโหมเพียงไอ้ก็เป่า มันก็ดูอมในตัวหนึ่งดูเป็นคาถานี้ที่โอมในตัวหนึ่งแล้วก็เพียงเนี่ยมันมันมันมันเป็นคําดี่วก็ใช่ในคาถานะฮะแล้วเป็นคาถาที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้อะไรด้วยนะอ่านจากหนังสือวิทยาศาสตร์นะด้วยอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์มก็ว่องว่องอ่ะก็ไม่ได้ทําอะไรมันก็นอนไหวพระสวดมนต์นึกอะไรก็ท่องท่องไปเลยเวลาแต่แล้วแต่นึกออกกว่าจะหลับไปมันก็ต้องท่องไว้มันก็เกิดเป็นขลังกันมา อีตอนบทใหม่ๆยังเป็นพ่นเด็กหายตั้งสิบกว่าคนนะฮะแต่ก็เลิกพ่นไปเลยกลัวจะเป็นหมอพ่นหมากไปแล้มันก็แปลกนะฮะว่านี่มันก็อยู่ที่พลังจิตที่เรามีเราความศรัทธามีความเชื่อมั่นแล้วก็ส ง, งบอยู่ในเรื่องเหล่านั้นต่อมาเราก็เห็นว่าเรื่องมันเรื่อ ง, อ, งอื่นดีกว่าไอศรัทธาเราก็หยอดไปนะทุกวันถ้าพ่นก็คงจะไม่หายหรอกต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลดีกว่า นี่ก็คือคือเรื่องไอพลังของของจิตที่สงบเ น, นี่ยมันจะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งตัวอย่างดูตัวอย่างว่าที่เคยราบประจุรบันทกนะฮะไลโชรนางไลโชระนา ง, านางไปว่าผาเปื่อนทุรีไม่เอ็มขังอะไรผ้าเปื่อนทุรีเองแต่ว่าท่านบรรลุมากผลไม่ได้แล้วก็ทุกขตะบุรุษคนหนึ่งที่ไปเรียนตักกศิลามามันสำเร็จที่ก็กลายเป็นคาถากันโจรในบ้านในเมืองเราตั้งแต่โบราณมานะฮะแต่พอดีฮะคือว่าคนที่ก็ท่องคาถาก็แปลไม่ออก แต่ยังนักบาลียังอาตมาในแปลแล้วมันก็ไม่คลังก็ว่าอย่างไงฮะคเตสิคเตสิกิงกระนาคาเตสิอหังปีตังชานามิชานามิาามาการะทักันโจนเนี่ยาการะทักันขโมยนะครั้งไม่จะเล่นน่ยไอ้ต้นปฐมไม่เหตุมันก็ชุดเด็กคนหนึ่งเนี่ยก็เนี้ยคืออดีตชาติของพระจุลบรรทกเนี่ยอดีตชาติของพระจุลบรรทกคือพระจุลบรรทกรพอพระพุทธเจ้าช่วยตรงนี้ได้ ภิกษุก็บอกโอ้โหอันศักดิ์ทธ์จริงพระพุทธเจ้าไปช่วยคนนึงท่องหนังสือสี่เดือนสบรรทัดไม่จบให้บรรลุอรหัตได้ในวันเดียวพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่ชาตินี้อชาติก่อนเคยช่วยมันแล้วเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็เล่าให้ฟังอันนี้โง่เหมือนกันชาติก่อนเรียนหนังสือไม่ได้ปฏิบัติดีเรียบร้อยทุกอย่างดูดีทุกอย่างเสียอย่างเดียวคือจําอะไรไม่ได้เลยอาจารย์ก็สงสารลูกศิษย์ว่าเออมันก็ดีแต่มันจะกลับแล้วพ่อแม่ก็เรียกตัวกลับก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ให้คาถาเนี่ย คเตสิกเตสิกิงกระนาคาเตสิกอาหารบิตังชานามิชานามิาามสั่งไว้เลยไม่ว่าทั้งตื่นตรงไหนนึกออกตรงไหนต้องสาธยายไหย น, นอนหลับตื่นขึ้นมาต้องสาธยาคาถาได้อะไรก็ต้องว่าเรื่อยเลยแต่แล้วต่อมาวันหนึ่งเนี่ยแกนอนโจรข้าบ้านพอดีพระเจ้าแผ่นดินท่านเรียบนครอ่ะคื อ, ค, อคือปกครองบ้านเมืองจนสงบแล้วก็ ต้องการจะพิสูจน์ว่าเรายังมีเลวอะไรอยู่บ้างก็ปลอมตัวไปเที่ยวดูว่าราษฎรวิพากษ์วิจารณ์อะไรพระเจ้าแผ่นดินบ้างก็หาไม่เจออะไรที่ไหนเลยมีแต่คนยกย่องสรรเสริญก็ไปถึงบ้านนั้นตอนกลางคืนมีโจรเข้าไปทั้งก็แอบดูพระเจ้าแผ่นดินท่านแอบดูโจรเข้าไปไอ้เจ้าของบ้าน ก, ก็ตื่นธรรมดานะฮะไม่ได้เกี่ยวอะไรกันทั้งจริงอ แกตื่นธรมรมดาพอตื่นมาถึงก็นึกถึงมนได้คเตสิกเตสิกิงกาณาคาเตสิกังวิตังช า, า, านามิจานามิโจนวิ่งหนีเลยพระชาเอ้ยไอ้นี่มันเก่งฮะมันเก่งมันท่องคาถาดีโจนวิ่งเล ย, ยรุ่งเช้าก็รับสั่งให้คนไปตามมาแล้วมาคุยกันคุยกันเสร็จแล้วราชาก็ขอเรียนด้วยนะครขอเรียนด้วยทําให้พระองค์ รอดพ้นจากการถูกลอบปรุงพระชนครั้งไม่ใช่ในกากัลตานี่เดี๋ยวจะแปลกันมาดูกันกลางนิดก่อนออพอดีเสนาบดีช่างการระบบนะฮะกับปุโรหิตวางแผนจะลอบปรุงพระชนโดยปุโรหิตจะเป็น อ, อ, อะไรล่ะพระราชาะะเสนาบดีจะเป็นอุปราชช่างการระบบจะเป็นเสนาบดี แต่ว่าคนที่จะรอบปรองดองประชาชนนั้นก็คือช่างกรารระบบนะฮะเพราะว่าแกแกมีหน้าที่ตัดผมอยู่ไอ้ช่างกรารระบบพอเริ่มจะเอาจริงๆมันเกิดไม่มั่นใจกลัวมีจะไม่ผมแกสะบัดเลยสะบัดพระราชาพระราชาว่างๆเห็นก็ไม่ทําอะไรทั้งกระท่องคาถาท่องคาถาแน้ก็ตกใจเลยก้อมลงกราบเลยขอเข้ามาโทษเล่าหมดเลยายละเอียดแล้วพระราชาก็ในประเทศพวกนี้ออกไปก็เชิญอาจารย์กลับมาเป็นบุรุษฮิตเลย คาถาบรรทัดเดียวนะเป็นได้ทั้งบริวิธนะิของคลังก็หนักนะ่นี่ก็คือเรื่องศรัทธานะแต่ถ้าเราแปลล่ะกะเตสิกเตสิเรารู้นะเรารู้นะกะเตสิกเตสิแปลว่าฉันรู้นะฉันรู้นะกิงกาณาเธอทําอะไรนะเธอทําอะไรฉันรู้นะหังไปตังชาลามิชารามิจะรู้ว่าฉันรู้นะฉันรู้นะ ว่าเธอกําลังทําอะไรอยู่ฉันรู้นะว่าเธอกําลังทําอะไรอยู่เพราะงั้นโจรพอโผล่ไปไอ้นนท์บอกฉันรู้นะเธอกำลังทําอะไรตกใจนายเจ้าของบ้านเต็ดก็วิ่งหนีอย่าง้ยไอันนี้ก็กําลังสะบัดมีดเปบเปิเปเปบอันนั้นก็ว่าฉันรู้นะฉันรู้นะว่าเธอกําลังทําอะไรก็ตกใจนะนี่มาขลังใหญ่เลยกาถานะคือแนวของคาถามันก็เป็นแนวที่ มันอยู่ที่ความเชื่อนะฮะอยู่ที่ความเชื่อที่สําคัญเรียกเมื่อเราเชื่อใจเราก็รวมรวมใจเราก็สงบสงบสติเราก็ดีขึ้นนะปัญญาเราก็ดีขึ้นเพราะฉั้นมันก็คุ้มครองตัวเองได้ในแ ง, ง่ธรรมะนี่เราเห็นได้ชัดในแง่ธรรมะมันก็มันก็คุ้มครองอยู่แล้วนะฮะคุ้มครองอยู่แล้วเพราะมีความสงบมีสติมีสัมปชัญญะในการก้าวไปในการจะบินไปของนกยุงนี่นอกจากนั้นอานิสงส์ที่เกิดจากความนอบน้อมมันก็แนวเดียวกับทัชกสุตอย่างที่เล่าให้ฟังมันก่อน อันตรสงที่เกิดขึ้นจากความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยเนี่ยมันบรรเทาพยายนอันตรายต่างๆได้นะฮะระดับระดับพื้นฐานอันนี้ไม่ได้พูดเรื่องมรรคผลนิพพานนะฮะเพราะพวกปริตรนี้เขาต้องการระดับปริตรพูดในระดับปริตรเนี่ยว่ามันใจที่น้อมรำลึกถึงสมณะพราหมณ์รำลึกถึงพระพุทธเจ้ารำลึกถึงพระโพธิยานรำลึกถึงพระธรรมรำลึกถึงพระสงค์เป็นอนุสติเป็นอนุสติ แสดงถึงความนอบน้อมระดับนอบน้อมก็เป็นบูชานะเป็นมงคลของชีวิตตั้งแต่ตื่นมาแล้วนะสร้างมงคลชีวิตขึ้นมาภายใน จ, ใจิตใจเพราะงั้นในระดับระดับการนอบน้อมก็มีอนุภาพส่วนเขาแล้วแต่ระดับธรรมะนี่เห็นได้ชัดว่าธรรมะมันเกิดขึ้นมาเป็นองค์ธรรมเห็นได้ชัดองค์เลยสามองค์ธรรมะสามองค์นี่คือสติสมาธิปัญญานะฮะเป็นอินทรีย์เป็น เป็นอะไ ร, รเรา เ, เป็นอินรีย์เป็นโพชชงเป็นอริยมรรคหายไปเลยขึ้นอยู่ระดับไหนนี่ก็กลายเป็นปผลิตที่เราใช้นะฮะเราใช้พวกเหล่านี้จึงขึ้นอยู่กับความเชื่ออย่างที่บอกแล้วอะขึ้นอยู่กับความเชื่อชั้นนี้นะฮะชั้นชั้นชั้นไอ้ขังขงศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคาถาห้ามเลือดตอนนมาเป็นเด็กๆเกนี่ยฮะมันก็เคยเรียนคาถาห้ามเลือดนะ เวลาใครถูกมีดบาดอะไรตอะไรมัเสกเลือดหยุดเลยนะฮะถ้าดูคาถาพอทุกวันมันไม่ขังหมดคือแปรออกหมดอะ่ะไม่ขังเลยเมื่อก่อนในเราแปรไม่ออกเราเชื่อแต่อาจารย์ว่านั้นเองอก็สาทะยายกันไอ้เรื่องเชื่อไม่เชื่อในเจ้าพระคุณสมเด็จสังฆราชจธจิวาสเนี่ยท่านไปพบคาถาขุนแผนสะดอกกรอนสะดกกอนประตูทีน่นี้ท่านเป็นบรเรนเอกนะฮะเอ่อก็สาทะยาย สายตยายตามตัวอักษรเขาเลยไปเป่ากุญแจหลุดพลัว่วพลั่วเลยมมันหลุดได้ยังไงนั่นองมันหลุดได้ยังไงทีนี้มันก็นศึกษาแบบนักวิชาการนั่น ม, มองมองไอ้คาถานี้มันผิดบาลีอะคาถานี้ไม่ไม่เป็นรูปบาลีนะฮะคือแปลไม่ได้ต้องแปลลัดเอาไอไอวิพัตวั จ, จะนะไออะไรตายนี่มันมันมั น, ม, นมันไม่ไม่ตรงตามบาลี อย่างพวกคาถาที่เราสวดอะไรนี่อะไรอะไรอะไรพระอาการวัตรสูตรเนี่ยแปลไม่เคยออกหรอกแปลไม่ค่อยออกเพราะมันก็สวดขลังไม่ใช่สวดได้แปลเวลาแปลมันเดินประโยคไม่ค่อยได้อะฮะเพราะว่ามันมันมันไม่รู้ไอตัวไหนเป็นประธานตัวไหนเป็นกิริยามอยู่ตรงไหนไม่รู้กรรมอยู่ตรงไหนไม่รู้แปลไม่ออกมันใช้วิพัฒ์เสมอกันทั้งหมดเลยบางทีะจีกิริยาก็ไม่มีไม่รู้จะขึ้นประโยคน์ยังไงเดินยังไงพวกเหล่านี้เขานิยมไม่แปลนะเหมือนกระนำสกุล่ะเขาไม่แปล ถ้าแปลแล้วก็หมดขลังหมดอย่างที่บอกเนี่ยแต่ทีนี้เรามองได้สองชั้นว่ชั้นอนุภาพก็ก็มีระดับอนุภาพประิษฐนะฮะชั้นธรรมะเราเห็นธรรมะชัดตัวธรรมะชัดปรากฏชัดเลยแล้วก็มีเมตตาอีกอี ก, อ, กอีกตัวหนึ่งอีกองค์หนึ่งนะไม่ใช่ตัวหนึ่งอีกองค์หนึ่งคือเมตตาอยู่ข้างล่างที่ท่านสร้างไปในสัตว์ทั้งหลายแต่ว่าพอลืมสายตาใหญ่สมาธิก็หา ย, ส ต, หายสติก็ขาดธรรมบัญญัก็ อ่อนไปเมตตาก็จางธรรมะก็ไม่คุมม้มมันก็ติดบ่วงเรียบร้อยไปนั้นก็เห็นได้สองชั้นนะฮะทีนี้มาถึงอาราชสูตรอิราชสูตรนั้นในตอนแรกเราจะเห็นพระเพรอไม่มีสติไจุดไฟเผายังไงไม่ดูตามาแต่ือ แล้วเข้าควันมันก็เข้าไปในรูที่งูอยู่งูมก็ออกมากัดแล้วก็เห็นภาพตอนต้นก็คือการขาดสติการไม่ระมัดระวังไม่ดูให้รอบครอบเสียก่อนนะแล้วก็ตายทีนี้พอต่อมานั้นเราจะเห็นว่าเริ่มเมตตาเลยเมตตาแผ่ไปสมัยมาเป็นเด็กๆนี่เคยอ่านนะรเคยอ่านว่าหนังสือไ อ, ไอ้การเช็คแฮนของพรังเนี่ย ต้นเดิมปฐมเหตุจริงๆเนี่ยมันเริ่มจากไอ้ฝรั่งคนหนึ่งตัวมันใหญ่ไอ้ตัวคนหนึ่งตัวมันเล็กนะไอ้ตัวเล็กนี่จะมารังแกตัวใหญ่ทอ้ตัวใหญ่จะมารังแกตัวเล็กตัวเล็กก็กระโดดก็จับมือเลยจับมือข ย, าย่าจับมือขย่าวไอ้ขย่าวไว้กลัวจะต่อยหรือยังไงไม่รู้แต่มันก็กลายเป็นประเพณีคือแสดงความเป็นมิตรไปเลยแสดงความเป็นมิตรเป็นพวกเดียวกันนะจับมือแล้วก็ขย่าว นี่ก็คือคือต้นตอของของของไอาการเช็คแฮนของพระลังเนี่ยจับมือของพระลังเพราะงั้นลักษณะเหล่านี้มันก็อะไรล่ะผู้บูผู้ไหวรับการไหว้ตอบผู้บูชายอมรับการบูชาตอบรับแผ่เมตตาจิตต่อเขาเราไม่มีเวรไม่มีภัยกับเขาอะไรแม้แต่ยุงแม้แต่อะไรเนี่ยฮะท่านทั้งหลายอย่าคิดจ้องตกมันนะฮะอย่าคิดจ้องตกก็นั่งสร้างความรู้สึกแผ่เมตตาแก่แ นะแกกัดก็เออรองตัวทั้งใหญ่นะเพื่อนกินเลือด น, นิดเดียวก็กินไปเอะจะได้มีชีวิตอยู่เออแล้วยุงแกไม่ค่อยกัดเท่าไหรอ่อ่ะแต่ถ้าเราจ้องตบแกเรายามาฉีดแกแกแก็ตัวตายตัวแทนมาเรื่อยเลยมาเรื่อยเลยพวกโน้นตายไปตัวนี้ก็มาใหม่นั้นเพราะเราไม่มีเสติจิตกับแกแกก็มีความอาคตาพยาบาทนะก็อย่างอะไรละ่ะโบราณทือว่าประเพณีตีงูอหลังหักงูมักทํำร้ายเอาภายหลังนะฮะ จะระคาถึงน้ามีกระมังเสือขังข้าวถึงดงก็คงร้ายใ น, นเรื่องพระภัยมณีไปหายไปเอ่อแสดงว่าการสร้างกัรยาณนจิตของเราแผ่เมตตา ต, ต่อต่อตัวใหญ่เลยน ะ, นะฮะก็เรามองดูคล้ายๆกับว่าเราไปที่ไหนที่ไหนเราไปข้าหาผู้ใหญ่ไอ้ลูกน้องผู้ใหญ่ก็ก็ไม่กล้าเล่นงานเราไม่กล้ารังแกเราอะ นี่ก็สร้างเมตตาไ อ, อไปนับตัวงูเมตตามันก็ลําบากตระกูลเลยเมตตาทั้งตระกูลเลยทั้งตระกูลเนี้ยตระกูลวิรูปักไก่การหาโคตมกะชปรยาปุตตะทั้งหมดเลยทั้งสี่ตระกูลแล้วก็แผ่เมตตาไปหมดเลยทั้งสัตว์สองเท้ามากเท้าหลายเท้านะฮะระบุหมดเลยมันก็ใล้ายๆกันเนี่ยเจตุไ อ, ออะไรนะจะตุวโวกาศบรรจัอวการไงอกออออออโวการที่เราแผ่เมตตาเนี่ยก็แนวปุญญศิดานั่นเองแนวเดียวกันแต่ อ, อันนั้นเราแนวกรวดน้ํากับแผ่เมตตานี่แนวต้องการเป็นมิตรนะครต้องการเป็นมิตรว่าอย่าได้เบียดเบี้ยงกันเลยนะขอให้ต่างคนต่างอยู่เถอะ อ, อย่ามาประทุสร้ายกันเลยแล้วก็ต่อไปเมื่อการสร้างเมตตาจิตเสร็จในสัพพสัตว์แล้วก็ขออนุภาพช่วยนะข อ, อเราจะเห็นว่าขอทั้งข้างในข้างนอกคือข้างในภายในเรากับเขาเนี่ยเรากับเขานี่เรากา็ราการากสร้างเมตตา ก, กันแล้ว แต่วันนนขณะเดียวกันเขาจะรับเมตตาเราหรือไม่เราก็ไม่รู้พราะงั้นต้องขอพระพุทธเจ้าช่วยด้วยเกพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์อยู่ด้วยก็อัปมาโนบุตรเลยพุทธเจ้าคุณพุทธเจ้าไม่มีประมาณคุณพระธรรมไม่มีประมาณคุณพระสงฆ์ไม่มีประมาณก็ขอว่าพวกนั้นถึงแม้จะมีอนุภาพยังไงก็สู้อนุภาพของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ได้ก็ขอให้พระพุทธเจ้าคุ้มครองป้องกันรักษาให้นี้ก็ในช่วงแรกก็คือช่วงแนวเดียวกับกรณียเมตสูตรนะฮะช่วงแผ่เมตตา ช่วงการียเมตสูตรที่ที่เคยเล่าให้ฟังว่าพระท่านไปบำเพ็ญเพียร น, นะฮะบาเพ็ญเพียร น, น, นะก็พวกอมนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ในป่านั้นจอนึกว่าพระจะไปพักสักคืนสองคื น, คนก็ต้องอยู่บนพื้นดินขึ้นอยู่บนพระไม่ได้กัวกลัวบาปในที่สุดพอเห็นพระอยู่นานก็เกิดอึดอัดนะฮะเมื่อก่อนก็ใจดีแต่พอโดนบ่อยๆข้าวก็ใจเสียนะเหมือนกับ ชาวบ้านดีสาทาแต่าเนี่ยโดนวางดีกาไปบ่อยก็ชักจะเมินเมื่องไงแนวมึงสูไม่ไหวก็ในที่สุดแกก็เริ่มเบียดเบียนหลอกหลอนพระด้วยวิธีการต่างๆพระเจ้าก็ท่งให้เรียกว่าธรรมาวุธนะฮะธรรมะตัวองค์ธรรมะจริงๆมีสิข้อแต่ว่าจบลงด้วยการแผ่เมตตาข้างล่างกันเมตาเาตาในใช้ทุกงานนะฮะไม่ต้องใช้มันทุก ง, งานอย่างนั้นแนหะ ไปเรื่อยเลยเพราะว่าโลกเราจะจะอยู่รอดอยู่ร่วมกันนะอย่างไม่มีเวรไม่มีภยัยก็ต้องมีความเมตตากันแล้วก็พอตอนสุดท้ายก็ขอขออนุภาพอนุภาพจริงๆเลยตอนนี้ขอจากข้างนอกจริงๆเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันใจเราสงบนะฮะใจเราสงบเพราะน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ใจก็อ่อนนะมันก็กลายเป็นสติสมาธิปัญญาต่อไปอีกทีหนึ่ง ก็กลายเป็นสองเรื่องนะฮะกับคนอื่นเราเรามองในแง่ของสร้างความเป็นมิตรฮแต่เพื่อจะเรียกว่าเผื่อเหนียวนะใกล้ก็เผื่อเหนียวคือว่าไปติดต่อกับเขาแล้วไปหาลูกพี่เขาอีกหน่อยหาลูกพี่เขาอีกหน่อยเพื่อจะให้ให้คุ้มครองป้องกันนะเนะี่ยสัมมวนชาวบ้านจะเรียกว่าเผื่อเหนียวเอาไว้ก่อนถ้มันเกิดพลาดในจุดหนึ่งก็มีอีกสิ่งหนึ่งเข้าค้ายันเราไว้ช่วยเหลือเราไว้นะทำอะไรก็ ไม่โดดเดี่ยวจนเกินไปในสุดก็กลายเป็นอนุภาพสองอนุภาพแต่ว่าอย่าลืมมาที่ที่ตัวเองแก้ตลอดเลยนะครตัวเองแก้ตลอดไม่ได้ขอข้างนอกอย่างเดียวเพราะงั้นถ้าเรามองในประเด็นระดับพื้นฐานนะฮะระดับพื้นฐานไม่ชะพูดระดับสูงว่าอาจารย์การที่โจรผู้ร้ายอะไรต่างๆถูกยิงแล้วก็พระเต็มคอนั้นเราจะเห็นว่าเอาจากข้างนอกอย่างเดียวเอาจากข้างนอกขอคุ้มครองจากข้างนอกอย่างเดียวฉันไม่สร้างอะไรขึ้นมาเลย ไม่ได้มีสื่อรับธรรมะรับพุท ธ, ธานุภาพเลยสักนิดนึงนะฮะในส่วมขอคุ้มครองไม่ได้ก็อย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเหมือนร่มใหญ่ป้องกันคนไม่เปียกฝนในเวลาที่ฝนตกมันก็ทั้งกั้นหนข้างนอกฮะไม่ใช่ว่ามีร่มแล้วก็เดินแบกร่มทงท ง, ทงไปโดยไม่กั้นร่มฝนตกมันก็เปียกมันต้องกั้นร่มด้วยถึงแม้จะมีร่มแต่ถ้าไม่กั้นร่มก็ไม่รับประกันฝน ธรรมะในพระพุทธศาสนาทุกแง่ทุกมุมทุกด้านนะฮะไม่พู้ชั้นใดต้องอยู่ที่การปฏิบัติท่างนั้นเลยยุติการปฏิบัติท่างนั้นแม้แต่ระดับนี้ฮระดับระดับระดับขวัญกำลังใจเนี่ยก็อยู่ต้อ ง, ต, องต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติทีนี้มาถึงคาถานกคุ้มไอ้คาถานกคุ้มนี่มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องประสบด้วยตัวเองนะฮะต้องต้องประสบโดยตัวเองแล้วก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มหัศจรรย์นะมี บ้านคนคนหนึ่งที่ที่ท่าแพทน่นครไฟไหม้หมดเหลือบ้านแกหลังเดียวล้อมรอบเลยบ้านแกแม้แต่เกรียมก็ไม่มีเลยอันนี้ก็คืออนุภาพนะฮะอนุภาพปรตหิดอนุภาพอะไรกั้งแกหลายอย่างนะฮะแต่หมายความว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นคนในส่วนสาธยาอยู่ซึ่งซึง่เราจะถามว่าอย่างไงทําไมไม่รู้ <c oughs> ก็ไม่รู้ถามไฟบรรลุแต่อยากจะถามะทําไมไม่ไหม้อะก็ไม่ไหม้จริงอะ นี่คือคือเรื่องที่ที่เป็นเป็นอนุภาพของพระปริศแต่อย่าลืมตัวในนะฮะตัวในในที่นี้พระโพธิสัตว์อ้างศีลอธิโลเกศีลคุโนสัตจังนะฮะโสเจยนุตรราคือความสะอาดศีลนะสัตจะความสะอาดโสเจยะคือความสะอาดสะอาดอะไรสะอาดกายสะอาดวาจา สะอาดใจศีลก็คือสะอาดกายสาดวาจานะแล้วก็สัจจะก็ทำให้ใจของเราเกิดความสะอาดขึ้นคื อ, อ, อสรุปว่าสะอาดทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจโดยอาศัยศีลกับสัจจะทีนี้ท่านก็ตั้งสัตยาธิฐานได้คืออ้างอนุภาพได้ อย่างที่เคยเล่าให้ฟังก็มีอยู่เยอะนะฮะเรื่องนี้หมายความว่าเรามีสิ่งเหล่านี้ที่เราจะอธิฐานนะเราอธิษฐานสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เกิดเป็นอนุภาพขึ้นมาได้อย่างพระพุทธเจ้าทรงเสี่ยงบา ร, รมีเนี่ยที่คนทุกวันบอกเป็นไปไม่ได้เราไม่มีบา ร, รมีรพูดทำไรเราเราไม่เรามีบา ร, รมีเหมือนพระพุทธเจ้านี่นะ ว่าพระไอถาดลอยทวนน้าลอยไม่ได้มันคนระดับพระพุทธเจ้าเขออาอธิษฐานบา ร, รมีเขา ว, ว่าเรามีบา ร, รมีหรือเปล่าอย่างนั้นอ่ะเราไม่มีบา ร, รมีจะพูดทํำไรมันคนลชััน้นนะะนกคระดับพระโพธิสัตว์เขาเสี่ยงว่าฉันจะแต่สัตย์รู้ไมเนี่ยก็ทดลองดูกันว่าถ้าสัดย์รู้ขอให้ถาดลอยทวนกระแสะน้ําได้นั้นคือสัตยาธิษฐานของคนระดับพระโพธิสัตว์ ของคนระดับมหาราชพระเจ้าตากสินท่านตั้งสัตยาธิษฐานและสามารถกู้ชาติบ้านเมืองได้ก็ขอให้ไม้ตีระครังที่ป่าไปนี้ถูกแจกกันหักแต่อย่าลม้มเสียงบา ร, รมีมันหักแต่ไม่ลม้มเพราะงั้นทำให้พระเจ้าตากสินมีความมั่นประทศไทยอธิษฐานที่วิหารวัดที่เมืองตากตั้งก็ทําได้แต่คนระดับพระเจ้าตากสินะไม่ใช่คนระดับเรานี่นะคนละชั้นกันอะ ไอ้อเรื่องอำนาจวัฒน า, าบารมีอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยเราไปพูดไม่ได้หรอกว่าเมื่อเราทําไม่ได้คนอื่นทํำ ไ, ได้ก็เยอะไปที่เราทําไม่ได้แต่คนอื่นก็ทําได้ก็ธรรมดาธรรมดาเนี่ยแม้แต่ทํากับข้าวทาน้ําพริกกับคนอื่นก็ทําอร่อยเราทําไม่อร่อยมันเยอะไปไม่ไปพูดอะไรเรื่องไกลขนาดนั้นนะมันเยอะไปนี่นะที่ที่ที่เราทําไม่ได้แต่คนอื่นก็ทําได้อะเพราะงั้นคนระดับเนี่ระดับไอ้สัตยาธิฐานเนี่ยต้องมีสิ่งสําหรับตั้งสัตยาธิฐาน เริ่มหน้าทานศีลไอภาวานาอะไรแต่ไรที่เรากระทำบําเพ็ญเนี่ยมือนกัการกรวดน้ำเนี่ยเราไม่ทำความดีอะไรแล้วเรากรวดน้ําอะไรได้เอาอะไรมากรวดแล้วใครจะให้รับเราเหมือนก็ส่งของอ่ะมื อ, มอปเปล่าๆนี่แล้วใครจะรับอะไม่มีอะไรมันมั น, ม, นมันเรื่องของเหตุของผลนะครเป็นเรื่องของเหตุของผลถ้าเรามองในแง่ของเหตุของผลว่าเรามีเหตุหรือเปล่าเหตุ <enhance> ในทีน่นี้สีลังโลกอธิโลเกสีลกุโนโสัตจังโซ เ, เจยานุตรศีล สีรบารมีนะคระบพระโพธิสัตว์สีลบารมีศีระบารมีศีละบระมัติบา ร, ม, บารมีในเรื่องสัจจะแต่พระโทธิสัตว์รักษาสัจจะแบบตายอย่างในสมัยที่เป็นวิธุรบัณฑิตเราจะเห็นว่ามีตายมีตายกับอะไรคือถ้าไม่งั้นก็รอดอมีสองอย่าง ท่านก็ต้องต้องยอมไปเพื่อรักษาสัจจะทั้งๆ ท, ที่ว่ารู้ว่าโอกาสตายนะมีตั้งหลายตั้งตั้งมากกว่าห0อร์ซแต่ท่านก็ต้องเอาฮะนั่นคือสัจจะของคนระดับพระโพธิสัตว์แล้วสัจจะแบบพระโพธิสัตว์มันไม่ใช่สัจจะธรรมดาไม่ใช่สัจจะธรรมดาเราลองดูตรงไหนก็ได้ที่สัจจะแบบพระโพธิสัตว์อ่ะเอาบอกว่าจะให้ทานแม้แต่เลือดเนื้อใครมาขอก็ให้เพราะให้แหลกเลยเป็นโรเวศสันดอนนะดูดูได้ชัดมากถ้าเราคิดแบบเราโอ้ใช้ไม่ได้หรือให้ยังไง ลูกเมียก็เอาไปให้เขานี่คบไม่ไดนะเ้เราไม่ได้เป็นพระโพธิสัตว์เราคิดเป็นพระโพธิสัตว์ไม่ได้คนแบบพระโพธิสัตว์คิดอีกแบบหนึ่งเขจะทำอีกแบบหนึ่งซึ่งสามัญชนเข้าไม่ถึงนะข้าไม่ถึงเป็นระดับสูงของสังคมซึ่งเราจะมองในระดับที่ลดหลั่นลงมานะระดับลดหลั่นลงมาลองดูว่าอะไรพ่อคุณศรีอินตราธิตกับพ่อขุบ้านเมือง บ้านเมืองไอ้อไม่ใช่ไม่ใช่ไอ่อพ่อเจ้าเจ้าเมืองบางอย่างอ่ะที่แกมาช่วยพ่อคุณสีกู้บ้านเมืองฮะแล้วแกไม่ยอมเป็นพระเจ้าแผ่นดินทำไมไม่ยอมเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพราะมียแกเป็นขมิมียแกเป็นขมิแกไม่ยอมเป็นพระเจ้าแผ่นดินกู้ชาติบ้านเมืองให้เพื่อนเสร็จแล้วตัวเองก็สละคนระดับนี้ก็ทําได้นะแต่ระดับบางคนเขาเขาไม่ได้เพราะงั้นไอ้การจะวัด ระดับจิตกันในวัดไม่ได้คนเราจิตใจไม่เหมือนกันพื้นฐานอำนาจวาสน า, าบา ร, รมีไม่เหมือนกันพระโพธิสัตว์ท่านมีศีลเขาท่านท่านก็อ้างอนุภาพศีลได้ท่านมีสัจจะในตัวของท่านจนถึงกับว่เาเป็นสัจจะในลักษณะที่ยอมตายนะฮะคือสัจจะบรมัตบารมีอ่ะแล้วก็โสตเจียคือความสะอาดความสะอาดของพระโพธิสัตว์นั้นเป็นการสะอาดได้จริงๆเพราะระดับบา ร, รมีธรรมทที่ ที่พูดมาเนี่ยก็กายก็ท่านก็สะอาดวระจารก็ท่านสะอาดใจก็ท่านก็สะอาดมันก็รวมกันเป็นพลังสามเลี่ยมมันก็กลายเป็นตั้งสัตยาทิฏฐานขออนุภาพขออนุภาพนี่ช่วยแต่ไม่ใช่ช่วยเราจะเห็นว่าพระโพธิสัตว์ขอช่วยในกรณีที่สุดวิสัยแม่ก็มีนะฮะแต่ไม่อยู่รังปีอกฉันก็มีเหมือนกันแต่ฉันบินไม่ได้ไม่มีคนน่ะเพิ่งเพิ่งเพิ่งเพิ่งฟักออกมาไม่ใช่ว่าขอขอขอช่วยเรื่อย แต่ว่าในเรื่องสุดวิสัยแต่นั้นเองขอแล้วก็ไม่ได้ขอมากนะขอไฟอยากข้ามาทางนี้ขอไฟอยากข้ามาทางนี้ขอให้หลีกไปแท่นั้นเองไม่ได้ขอมากมายอะไรเพราะฉนั้นมันก็กลายเป็นอะไรหลายอย่างนะฮะอย่างแรกก็คือว่าทำรมำยมย่อมร่ำรักษาผู้ประพฤติธรรมนี่ยมันก็สุดพระโพธิสัตว์ได้รอดพ้นจากอันตรายในคราวนั้นได้ก็เพราะท่านมีธรรมสำหรับอ้างนะฮะโอยพระช่วยนะฮะพระช่วย ก็ช่วยได้นะฮะถ้ามีพระบางทีตอนนั้นไม่มีพระพระมาช่วยไม่ได้ปัญหาว่ามีพระยหรือเปล่าทีนี้การการอ้างอนุภาพของธรรมะก็เหมือนกันว่าเรามีธรรมะหรือเปล่าถ้าเรามีธรรมะมีคุณคือศีลมีคุณคือสัจจะตรงนี้นะฮะมีคุณคือความสะอาดจริงเหล่านั้นก็กลายเป็นธรรมานุภาพเป็นอนุภาพของพระธรรมที่จะคุ้มครองรักษาป้องกันบุคคลเอาไว้ได้ซึ่ง เรื่องนี้จะต้องต้องต้องเป็นเรื่องที่เราสัมผัสได้ทุกชั้นนะฮะทุกชั้นโดยเฉพาะชั้นพื้นฐานแบบแต่ขันกาลังใจเนะะี่ยแต่เรามีความเชื่อมั่นอยู่ในเรื่องเหล่านี้มีการสาธยายแล้วก็จิตใจเชื่อมั่นได้จริงๆนะฮ ะ, ะก็ช่วยอะไรได้มากอย่างที่เคยเล่าเรื่องเนรเสกเน้ามนกน้โมอะไรเนี่ยเสกน้ามนได้เสกน้าม น, ด เ, น, มนเดือดได้โดยบทน้โมบทเดียวคุณธรรมคือไอสัตยาธิฏฐานน สัจจะอธิษฐานแบบพระโพธิสัตว์นะฮะไม่ใช่เป็นการตั้งนึกจะตั้งก็ตั้งมันต้องมีเหตุปัจจัยให้ตั้งแล้วจึงจะตั้งสัตยาธิษฐานการตั้งนั้นจะตั้งในเรื่องอยู่ในวิสัยนะฮะไม่ใช่ตั้งเรื่องนอกวิสัยอย่างเราจะเห็นว่าเสด็จออกพนวดแล้วต้องเท่าไหร่เกือบหปีนะฮะยังไม่เคยตั้งสัตยาธิษฐาน ไม่ตั้งเพราะทิศทางมันไม่แน่นอนอะไรเลยไม่รู้อะไรมันถูกอะไรมันผิดก็เรียนไปงั้นเองอ่ะเป็นสัจจะแต่ไม่สัตยาธิษฐานคือไม่มีทั้งไม่มีสององค์หนุนกันไม่มีสัจจะอธิฐานเอ่อข้าวหนุนกันสัจจะแปลว่าความจริงใจรประพฤติกระทําสิ่งไรก็เอาจริงนะนั้นคือสัจจะธิฐานสัจจะธิฐานหรือสัตยาธิฐานก็แล้วแต่จะเรียกแล้วก็บางทีก็ขอเป็นอนุภาพอย่างที่ว่าเนี่ย อ, อนุภาพอย่างที่ว่า เพื่อให้เกิดผลตามที่ตัวต้องการเช่นแนวอธิษฐานของพระโพธิสัตว์ตอนลอยถาดหรือในชาดกก็มีเยอะนะฮะเนเกี่ยวกับการอธิษฐานขออํานาจของสิ่งเหล่านั้นให้เกิดอย่างนั้นอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยก็มีคนที่เขาทาได้ใช่ใชไหอธิษฐานให้เกิดหรือบางทีอย่างที่ว่ายพระสวดมนต์ในพวกที่ถนัดเชิญอาราธนาพระาธาตุสเสด็จก็มีเนี่ยฮะก็เราไม่สัมผัสก็คนอื่นก็สัมผัสแต่ก็เรื่องของเขา แล้วเราก็ปฏิเสธว่าไม่จริงฉันทําให้เห็นได้ล่ะมันก็ไม่ได้หรอกคนอื่นก็ทําได้นะว่เรื่องของเขาว่าว่าเรามีกําลังบารมีอะไรแต่ไรสิ่งที่หนุนอยู่ข้างหลังมากน้อยแค่ไหนเพียงไรพระโพธิสัตว์ท่านก็ป้องกันได้เพราะงั้นสิ่งเหล่านี้จึงจึงเป็นตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งว่าคนแบบพระโพธิสัตว์จะไม่ยอมไปอ้อนวอนขอร้องหรือใช้อเนีย่ยพร่ำเพรื่อ ไอ้ใช้อานุภาพเนี่ยพรมเพลือ่อขอร้องกันพรมเพลือ่อไม่มันเรื่องสุดวิสัยเท่านั้นเองแล้วขออย่างจำกัดขอจำกัดในขอบข่ายเท่านั้นต่อจากนั้นจะช่วยตัวเองต่อไปอันนี้เราเราก็มองในแง่ของสังคมหรือแง่อะไรก็ตามว่าการช่วยเหลือการสงเคราะห์กันภายในสังคมนั้นบางครั้งมันไม่รู้จักจบสิน้นมีลักษณะที่ช่วยกันไม่รู้จักจบสิน้นเมืองอะไรละเมืองพแพร่นาะ <c oughs> ไช่วย รุ่งปีก็ช่วยอีกอะกรถจอดริมถน น, น, นช่วยแถวนั้นน่ช่วยแถวนั้นบางทีช่วยช่วยเสร็จอคนแจกของเดินไปเจอคนรับของเอาเอาเอาผ้าห่มไปไปขายซื้อเล่านั่งเดียวกันอยอันนี้คือคือเ ป, เป็นเป็นเป็นการที่เรียกว่าไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเราไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้ใช้เหตุผลในเรื่องที่เรากระทำก็นึกกระทำกระทำไปอย่างนั้นเอง บอกก็ชวนทําก็ทําไปแต่ไม่ได้มองถึงไอ้จุดหมายปลายทางมันจะผลมันจะเกิดตามที่เราต้องการหรือไม่หรือว่าคุ้มค่าการกระทําที่เราทําลงไปหรือไม่แนวของพระโพธิสัตว์นั้นจะขออนุภาพจากภายนอกน้อยมากขอขอช่วยเหลือจากภายนอกน้อยเราลองลองดูบางทีเขาอย่างไอพระเจ้าเจตระรัตมาขอให้ช่วยนะคือคือปฏิปทาท่านเป็นอย่างนี้หมดอะทุกชาติบปฏิปทาท่านเป็นอย่างนั้นพระโพ ธ, ธิสัตว์ จะไม่ยอมเลยจะไม่จะไม่ยอมขอร้องอะไรกับใครนอกจากมันสุดวิสัยและจะขอในขีดวงเอาไว้เท่านั้นขอเท่านั้นนอกจากนั้นท่านแก้ปัญหาของท่านเองตลอดแม้แต่บางทีเกิดเป็นเป็นอีกาอย่างที่เคล่าข่าให้เกิดเป็นอีกาเกิดเป็นสุนักอะไรเนี่ยฮะ เ, เกิดในกรณีที่เกิดเป็นสุนักสุนัขในวังหลวงมันเกิดกินหนังอะ่ะเกิดกินหนังกลอง เอเขาก็ไปใส่รายสุนัขสั่งฆ่าสุนัขหมดเลยพระโพธิสัตว์ก็เข้าไปช่วยในประเด็นว่าขอพิสูจน์ขอพิสูจน์ว่าไอสุนัขตัวไหนมันกินนะแล้วสุนัขที่ใกล้เคียงกลองที่สุดก็คือสุนัขในวางเพราะงั้นต้องเอายามาให้สุนัขตัวนี้กินก่อนให้สำรอกออกมาสำรอกมามันก็เจอแล้วก็เจอหนังอยู่ในท้องมันก็ยุติปัญหาแค่นั้นไม่ได้ขอต่อไปไม่ได้ขอมาก แล้หลักเหล่านี้ก็เป็นหลักอย่างหนึ่งของบัณฑิตว่าการจะขออะไรมากเกินไปก็ทําให้เขาไม่สบายใจนะฮะจนอะไรอย่าขอของรักที่เราอยากได้จากคนอื่นเพราะถ้าขอแล้วกระทบใจคือเขาไม่ให้มันก็ไม่ได้ถ้าเขาให้ เ, เขาก็เสียดายในในหลักทางศาสนานั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงยกเรื่องในแนวนี้ขึ้นมาสอนพระไว้เยอะเหมือนกัน สอนพระสอนชาวบ้านนะในอาตสาไม่ไม่ใช่นในถาตในในพระวินัยบิดกเองนะฮะก็มีเรื่องเรื่องภิกษุชาวเมืองอารวีไปขอรบกวนชาวบ้านนะฮะขอนั้นขอนี้เมื่อวานเนี่ยก็ไปพูดที่สกลนคร น, นะปัญหาแนวนี้เยอะเลยแสดงว่าสกลนครได้ไรกันจังปัญหาคือระดับหัวหน้าหมวดการนึกษานะฮะระดับ ตั้งกียอำเภอเนี่ยเข้ามาเป็นตัวแทนอำเภอละ2องคนนะฮะระดับสูงของทางการศากษาเพราะฉนั้นปัญหาจากระดับนี้ก็พอฟังได้พนะอฟังได้ว่าเกิดจากข้อมูลจริงๆเพราะก่อนจะพูดทั้นเราขอร้องเขาบอกว่าให้ถามปัญหาที่อาจารย์สงสัยจริงๆแล้วข้องใจจริงๆอย่าไปถามนึกยาหาเรื่องหรือยืมเป็นเครื่องมือด่าใครปัญหาแนวนี้ก็ออกมามากที่จริงเป็นปัญหาาวร ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะที่ใดที่หนึ่งเป็นปัญหาถาวรของโรกมนุษย์คือความที่ขอเกินไปพระสมัยนั้นขอเกินไปจนขนาดว่าชาวบ้านเห็นพระวิ่งหนีพระหมหากัตนปะเข้าไปไปคว้าพระพุทธเจ้าที่กรุงราชเจ้าต้องผ่านเมืองนั้นพระหมหากรตปะพระราหันเดินมิตาบาดคนวิ่งหนีเก <c oughs> ินวิ่งหนีนึกว่าพระมาได้อะไรพระมหาตปะท่านก็สงสัยพอดีอุบาดศก เหตุข้าวกันนี่หมดเราไปเรียนให้ฟังว่าเนี่ยบ้ันเมืองนี่แบบนี้มันเป็นอย่างเงี้ยยุ่งกันหมดเลยพระท่านได้รายมากเลยเกลควันกระเจิงฮะคือเห็นวัวก็วิ่งหนีเลยภาษีคล้ายพระก็วิ่งหนีนังตะลุงเอามาตลกอยู่แถวจังหวัดสงขาเนี่ยก็นี่คืออะไรคือเกินไปงานขอที่เกินไปแต่แนวของพระโพธิสัตว์จะไม่มีลักษณะอย่างนั้นแม้สิ่งที่ตัวอ้างตัวขอก็เป็นของตัวเองนะฮะ คือศีลก็ของท่านเองสัจจะก็เป็นของท่านเองความสะอาดก็เป็นของท่านเองคือเป็นปัจจตตังของท่านเองฮะสิ่งที่ท่านเห็นได้โดยตัวเองที่ท่า น, ท, านท่านสัมผัสได้โดยตัวของเองแต่ว่าเวลาที่ฐานขออนุภาพสิ่งนั้นช่วยนั้นใช่น้อยนะฮะมีขอบเขตที่จำกัดนันก็มีหลักอยู่อย่างหนึ่งว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมการเวียนเบียนคนอื่นนะฮะก็ไม่ต้องมากไม่ควรจะมากเกินไปควรจะมีจากัด แต่ว่าการสงเคราะห์คนอื่นก็ควรมีจํากัดนะฮะคนจะมีขอบข่ายขีดวงเอาไว้ไม่ใช่ว่าช่วยกันจนในที่สุดจะสูญเสียการส่งตัวเวลานี้เราจะพบว่าต่างประเทศเนี่ยเริ่มมีปัญหาอเมริกากลางกฤษเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วนะฮะตอนนี้รัฐสวัสดิการนะฮะสวัสดิกา ร, การกาที่รัฐเลี้ยงดูราษฎรที่ว่างงานนะฮะขาออกมาว่าเวลนี้คนอังกฤษเป็นหมื่นๆเลยไม่ยอมทํางานมีงานก็ไม่ยอมทําโดยเหตุผลว่า ไปเบิกถึงถึงอะไรสั ป, ปดาห์หนึ่งไปเบิกได้กี่ปอนไม่รู้อเมริการู้สึกแคก่สองสองรนะ้อ้าอนไอ้บรรจัยสองร้อยสตอนพวกนี้ก็ไม่ทํางานเพราะงั้นไอ้รัฐสวัสดิการเนี่ยนี่อย่าเอามาใช้เมืองไทยนะฮะแต่ใช้เมืองไทยแลย้วกู้กันอ่านแหละรับรองเลยพอนอนเที่ยวกินชนไก่ต่อนกกันสนุกเลยไม่ต้องทํางานตนะ้องทํางานวิธีเหล่านี้มันมันเราต้องมองถึงผลกระทบหรือผลได้ผลเสียเหมือนกันว่า ไอสิ่งที่ได้มันคุ้มกับสิ่งที่เสียหรือเปล่าดูแล้วมันไม่ค่อยคุ้มอะไรเท่าไรการช่วยจึงต้องช่วยเขาช่วยช่วยตัวเองได้เท่านั้นเองมันเหมือนกับเด็กพอเดินได้เราต้องจูงนะฮะอย่าไปอุ้มแกจูงแกเท่านั้นเองช่วยประคองแกหน่อยนะถ้าพอแกแกเดินได้ก็ดูๆไว้เท่านั้นเองค่อยค่อยตะครุบเวลาแกจะหกล้มนะฮะไม่ใช่ว่าต้องอุ้มต้องจูงกันตลอดนี่ก็คือหลักในการ ในการประพฤติปฏิบัติธรรมะที่ถูกต้องก็ว่าอยู่ในจุดกลางของการประพฤติปฏิบัติทีนี้เราเรามองกันอีกด้านหนึ่งนะฮะว่าไอ้คุณของศีลของธรรมเนี่ยถ้าท่านทั้งหลายลองสังเกตแนวโหราศาสตร์นั้นไม่ใช่ผิดทั้งหมดแต่ไม่ใช่ถูกทั้งหมดวันก่อนมาไปปภิษฐกถาที่สมาคมโหนก็พูดในถ้ำกลางโหนเนีนะ่ยมาบอกมาไม่ปฏิเสธอะมีส่วนจริงเพราะเก็บข้อมูลมาเป็นหลายพันปีนะฮะ เก็บข้อมูลมาหลายพันปีมันก็ต้องมีส่วนจริงแต่รับรองว่ามีตัวแปรได้คือเราปฏิบัติธรรมะเพราะงั้นดวงเนี่ยจะอะไรทำกับคนมีธรรมะไม่ได้เลยดวงจะผิดหมดเลยจะบอกคนจะเคราะหร้ายอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นหักเลยธรรมะมันกุ้งครองเอาไว้ mm hmm. อย่างหลวงพ่อองค์หนึ่งที่เขาบอกว่าท่านจะตายภายในเจ็ดวัน ท่านก็ออทอดอะไรตายอยากเดินมาเห็นปลามันติดอยู่ในหนองน้ําแห้งท่านก็เอาปลาไปปล่อยเราก็จะตายปลาก็จะตายนะปลาเราพอช่วยได้เราใครช่วยไม่ได้ก็ช่วยปลาไปก่อนพอถึงเจวันท่านไม่ตายอันอะไรอันอานิสง์ของธรมะการคุ้มครองการช่วยเหลือคนอื่นการต่ออายุให้คนอื่นมากลับมาต่ออายุให้ตัวเองนั่นก็เป็นเป็นการคุ้มครองเพราะงั้นรวมก็คือดวง หรื อ, เ, อเคยเล่าหรือเปล่าหรือฮะนิทานเรื่องออทิดศึกใหม่สองคนนะฮะที่อาจารย์บอกว่าไอ้นี่แกจะตายไปใต้สเวิชาติร่ำรวยมากใหญ่โตตาตายไปใ ต, ต้สะเวชดฉัดอันนี้จะจนเาสาเรือนก็ไม่มีเลยไม่ได้พูดถึงเรือนนะไม่แต่เสาเรือนก็ไม่มีเลยจะจนจังเลยฮะไอคนนี้มันกลัวจนพอศึกมั น, มนก็ศึกทั้งคู่ฮะอันนี้ก็กลัวจนกลัวจริงๆเลยกับจนเนี่ยแกก็ทํางานหามรุ่งหามค่ําไม่เห็นเกเหน็ดเกิดเหนื่อย นะเก็บออมถนอมใช้เอาไว้จนกลายเป็นคือบอดีใหญ่บ้างข้างร่ารวยแล้วยังไม่หยุดนะฮะยังกลัวจนไอ้กลัวหมอทำนายอย่างเนี้ยกลัวเนี่ยกลัวใจเสาเรือนจะไม่เหลืออย่างเนี้อันนี้ก็บอกให้เราไม่เป็นไรหรอกประเดี๋ยวได้ได้เป็นพระราชาญาติพี่น้องก็เออรอคอยพึ่งบุญบรารมีเมืองตัวเลี้ยงดูออกก่ใจนะฮะอาจารย์ทำนายเอไว้มันก็อยู่ๆมาจนเอ๊ะชักใจ ย, ยังไงยังไงมันแก่แล้วยัไม่เห็นสว็ดจัดมาสักทีหนึ่งฮะ จนในที่สุดญาติพี่น้องก็ไล่ออกจากบ้านแล้วออกจากบ้านก็ไปนอนจริมถนนขบวนพระราชาเสด็จเงาสเสวิตฉาดทาบลงบนตัวฮะอันนี้ก็ตายพอดีเลยเราจะเห็นว่าคนไม่ปฏิบัติธรรมถูกดวงนะเห็นไหมฮะตายสเสวิตฉตดตายใตยเ้เสวิตฉตดเลยคนปฏิบัติธรรมผิดหมดเลยดวงฮิทหมดเลย ทำอะไรไม่ได้เลยดวงที่ว่าจะยากจะจนอย่างนั้นอย่างนั้นไม่มีเลยทําไม่ได้ทั้งอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นทำเนี่ยมันอยู่เหนือดวงอยู่เหนืออะไรฮะแม้แต่อยู่เหนือเ ค, อ ค, อคอราะห์กรรมไอ้กรรมที่ไล่มาเนี่ยถ้าธรรมะมันมันมันเออเรา ม, เรามีเราปฏิบัติธรรมะไว้คล้ายๆกับว่าไฟมันไหม้มาเนี่ยแล้วเราก็มีไอ้ลำทานมีลําคลองกัง้นน้ำไว้มันก็หยุดไว้ตรงนั้นไม่ได้หมายความไฟดับนะแต่มันก็ข้ามมาไม่ได้ธรรมะจะคุ้มครองรักษาเอาไว้แล้วมันมันอะไรอย่าง ยังอายุวัฒนกุมารนะฮะเราจะเห็นว่าอายุวัฒนกุมารนั้นเป็นอนุภาพประหลิดโดยตรงเลยอายุวัฒนกุมารที่ที่ที่ที่ที่ที่เรามาอนุโมทนาระยถาบริวานะฮะที่ที่ที่ไอสองมรทัดท้ายน่ะจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังวังอ่ะอันนี้เนี่ยเนี่ยต้นเรื่องของอายุวัฒนกุมารอายุวัฒนกุมารเกิดมาถึงหมอทํานายว่าจะมีอายุเพียงเจ็วันนั่นเองตายไปหาคนไหนคนนั้นบอกว่ามี7วันไปไหว้พระพุทธเจ้า พระเจ้าบอกให้มีความสุขแต่ไม่บอกว่าให้มีอายุยืนไม่บอกไม่บอกกาบทูนถามพระเจ้าบอกเด็กนี่มีอายุได้เจ็ดวันแล้วแกก็ถามมาช่วยได้ไหมพระเจ้าบอกได้ช่วยได้ตกลงว่าให้พระไปสวดพระปริริทล้อมตังวงล้อมเด็กนอนตรงกลางพระสวดประริทธ์ตลอดรักขาเจ็ดวันรักขาวันตลอดเจ็ดวันพอเลยเจ็ดวันเขาเอานาเด็กไปไหว้พระเจ้าพระเจ้ารับสั่งว่า ที่ายุโกะโตสุกิตโตะโตอโรกโกะโตที่ายุโกะโตก็้มีอายุยืนสุกิโตะโตก็มีความสุขะโรกโกะโตก็อย่ามีโรคสามอย่างอายุวัฒนะกุมารอยู่มาจนหลังพุทธประนิพานะอายุตายเมยื่ออายุร้อยยีปีเนั้นเราเราจะเห็นว่าคืออนุภาพของปาริดนั่นเนี่ยอนุภาพปาริดนัเนี่ยเพราะาไอ้เด็กมันมันยังทาอะไรไม่ได้เลยอนุภาพปาริดคุ้มครอง จึงใช้กันหลายชั้นธรรมารนี่ใช้ได้หลายชั้นใช้ได้หลายระดับนันจะเหมือนมันเหมือนกันเลยมันเหมือนกับดอกไม้ดอกบัวดอกอะไรเนี่ยคือว่าของเนี่ยมันเราก็ใช้ได้หลายชั้นปัญหาว่าเราจะใช้ในชั้นไหนมันก็สำเร็จประโยชน์ในชั้นนั้นก็สําคัญว่าต้องอยู่ในในจุด ท, ที่ใช้เป็นอนุภาพพระบาริตนั้นมีแน่นอนแต่ เราจะต้องมีศรัทธามีความเชื่อมัน่นแล้วก็มีความสงบทั้งใจจริงๆสาธยาจริงๆก็ช่วยได้ส่วนการมาเพื่อปฏิบัติก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเพราะพวกนี้มุ่งไปขึ้นไปส่งต่อไปถึงฌานถึงอะไรแต่ออไรไปได้หมดลนะนี้ก็เป็นพระสูตรที่เราเกี่ยวข้องในในพิธีมงคลทั้งหลายนะฮะก็เห็นว่าแนวเดียวกันก็เลยเอามาสรุปให้ฟังเป็น เ, เป็นครั้งเดียวกันสำารัวันนี้ก็จบลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้